การประชุมการพวกเราคือการเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมของที่จะจำพรรษานะองไหนที่จะออกไปที่อื่นมีไหมองที่ไม่เคยจำพรรษาที่นี่ที่เข้ามาใหม่ไปยังไงมายังไงมีจุดประสงค์อะไรเรายังไม่ได้สอบถาม ยังไม่ได้สอบได้ถามจำภาษาแล้วค็แล้วไปแต่องค์ที่เรารับพระมาะบวชใหม่ <c oughs> ก็พระใหม่ที่เรารับแล้วแต่พระมาะจากต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ที่นี่มีเจตนาอย่างไงไปอย่างไรมาอย่างไงมันก็ต้องมา ยืนยันเจตนาของตัวเองไม่ใช่มาอยู่แบบ ล, ยลอยๆที่ว่าในหน้าแร้งเราก็ไม่ว่าอะไรผมมาอยู่หน้าแรง้งมาพักภาวนาปฏิบัติแต่พอจะเข้าจําพรรษาในเลยตำเลยไม่ได้นะต้องมาพูดให้เราฟังสักก่อนว่าไปยังไงมายัางไงจากสำนักไหนเราจะได้รู้ ก็พร้อมการก็ให้พระเก่าของเราทุกองค์ให้เช็ค ก, กุติดูสิว่ากุติของเรามีกี่หลังพระจะจำภรษาได้ปีเนี้ยเช็คให้ผมได้ทราบผมมีแต่รับพระทตพัตะพืพอผมปรดสุดพระล้นกุติแล้วทำยังไงพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ ตรวจเช็คว่ากุฏิหลังไหนบ้างที่พระจะจําบรรษาได้รวมกันแล้วเป็นกี่หลังจะได้กี่องค์ความพร้อมขอ ง, ของกุฏิแต่ละหลังเป็นยังไงถนนหนทางเป็นยังไงหลั ง, ลงคาที่พักพ้าอาศัยเป็นยังไงห้องน้ําห้องท่าเป็นยังไง <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระ ที่อยู่ในวัดต้องดูให้ช่วยกันดูเราไม่ให้องค์ไหนองค์หนึ่งดูเป็นหน้าที่ของทุกองจะต้องช่วยกันดูว่าเราจะจำพรรษาไม่ใช่แบบเข้าพรรษาแล้วยังคอยมาทาอะไรอิรุ ก, ก, ก, กุกักลังคา ก, กติก้นรั่วทางเดียยังโกงก็ไปซ่อมใหม่อย่างนี้ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทางโยกลมก็ให้พร้อมหนทางก็ให้พร้อมกุฏิละหลังแต่ละหลังหลังคาเป็นไงมีกิ่งไม้เฟื่อยเข้ามาหาไหมทําให้หมดไตเข้ามาที่กุฏิขึ้นมาทางหลังคาแล้วก็ทางกุฏิแต่ละหลังเราก็ที่ทําที่กันมดไว้แล้วทําเป็นกลวยไว้ทุกหลัง เราก็หานทํามันไปหยอดไปเททําความสะอาดใส่น้ํามันไว้ซะทุกหลังเมื่อพระใหม่ไปก็จะได้ให้ยาได้เดือดร้อนพระเข้าไปใหม่ไปอยู่ใหม่ก็เป็นไม่รู้จักวิธีการดูแลเสนาชนะเข้าไปก็ไปมดกัดอะไรกันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับพระเก่าอีกอย่างเก่า วนพระเก่าต้องช่วยกันดูแต่นาหลังทำความสะอาดแนละ้วมีมดไหมถ้ามีมดทำยังไงล้างทำความสะอาดน้ำก็มีอยู่แถวนั่นเทสาอาดเลยล้างกุฏิมดมันก็ลงไปตามน้ำนะ่ะมันไหลลงไปตามมํานน้ำนะ่ะมดนะ่ะมันไม่ตายหรอก แต่ความจำคัญอย่าไปใส่แฟบนะถ้าใส่แฟบก็ปไปเออทำให้มดตายอันนี้เรามี็ตลบเป็นตะเทน้ำราดลาดไลด่ ล, ลงเฉยๆไ <c oughs> ล่ลงเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดใหม่ก็ใส่น้ำมันกันไว้แต่ลังคาที่มันมีกิ่งไม้เฟ้ยเข้ามาเกาออกแต่จะไปตัดต้นไม้นะ เอาออกแต่กิ่งมันก็พอกิ่งที่มันเฟื้ยมานั่นอะอย่าให้กิ่งไม้มันมาติดกับกุฏิมดแดงมดอะไรมันขึ้นมาพระเก่าต้องช่วยๆกันดูแต่เช็คเช็คดูด้วยว่ากุฏิมีกี่หลังผมอยากจะรู้นะ ที่พระจะจำพรรษาได้แต่พระของเราจําพรรษากี่องก็ จ, จําพรรษาแล้วผู้ที่จะออกไปอกีกปวดโชกคราวมีไม้กี่องค์แต่ในพรรษาห้ามย้ายกุฏิใครอยู่หลังไหนต้องอยู่หลังนั้นก็จําพรรษา ย้ายไปเรื่อยไม่ได้อเดี๋ยววุ่นวายมันจะดีหรือไม่ดีอยู่กับตัวเองทั้งหมดนะถ้าตัวเองไม่ดีจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีถ้าตัวเองดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีลมเย็นเป็นสุขพระวัดของเราก็เป็นวัดที่เนื้อที่พันกว่าไร่สถานที่ก็สงบสงัดก่ อ, อนที่เราจะไปอยู่เราก็ดู ไปดูซะก่อนไปเลือกแต่กุฏิใหม่สองหลังให้พระเก่าเลือกซะก่อนตามอายุา <c oughs> พรรษาพอเลือกเสร็จแล้วก็ให้พระใหม่ที่จะอยู่องค์ไหนยังคอยเลือกกันจัดเข้าไปกูปบารุ่นเก่านะ่ยจัดเข้าไปองค์ไหนควรจะอยู่องค์ไหนถ้าผู้มีอายุมาก เราก็รู้ไม่ควรจะให้อยู่ไกลศาลามากเกินไปให้อยู่ในละแวกที่ไปมาศาลาได้ง่ายใกล้ห้องน้ำอันนี้พระเก่าก็ต้องช่วยกันดูอำนวยความสะดวกให้กับพระที่สูงอายุหรือพระร่างกายไม่สมบูรณ์ <c oughs> แต่ที่ยังไงจูหลังวัด มันก็ไกลอยู่ทว่าไกลแต่ชาว่าเดินมาเนี่ยก็ผมก็เคยเดินสมัยก่อนนะให้ช่วยช่วยกันจากนั้นก็นให้ดูผู้ที่ดูแลต้นไม้ก็ให้ดูแลต้นไม้ปลกูกมันยา้ามันงอกเร็วเหลือเกิน แต่ถึงยังไงก็ให้ช่วยกันดูเราจะเน้นต้นไม้ปีนี้ให้บอกได้เลยว่าเราเน้นต้นไม้ปีนี้ที่เราปลูกไม้สักปะดูมขัขาดปลูกทีเลยถ้าว่ามันดูมันตายเอาไปไปไปดูอีกให้ไปช่วยๆกันไปดูถ้าไม่มีคนดูนเอาทหารอะไรกันเนี่ย น, นบยบุษบองว่าง ก็ไปช่วยกันปลูกก็ได้กูบาไปปลูกกูพาไปปลูกปลูกตรงไหนเอาผู้เฒ่าผู้แกมาปลูกก็ได้ปลูกป่าแซมเข้าไปไม้สักยังเหลือไหมไม้สักยังเหลือนะ่ะปลูกเน้นไม้สักนั่นะถ้าอยู่ในที่เนินนะที่โนนเว้นสา จ, จะอยู่ในที่ลุ่มที่ลุ่มเราก็ใช้ไม้ตะเคียนทองไม้ยางไม้มะค่า ก็พอทนพอทนน้ำอยู่แต่ไม้สักเนะ่อย่าลงเด็ดขาดไม้สักไม่ทนน้ำน้ำท่วมบนเดียวขนานะ่ะตายหมดเพราะนั้นอย่าอย่าอย่าเอาลงที่บวมน้ำไม้สักเอาไว้ที่สูงสูงที่นั้นเนินเนี่ยอันนี้คือเราปลูกต้นไม้นะเมื่อ <c oughs> ปลูกเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติ ของแผ่นดินนะนะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหรอกเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นปอด อ, อต้อนไม้ขึ้นมาแล้วก็เป็นปอดที่หายใจเดี๋ยนี้ไม้ในประเทศมันดูๆแล้วมันไปที่ไหนมีแต่ท่งนาทั้งหมดยิ่งเราขึ้นไปนั่งเครื่องมองลงมาพื้นแผน่น ดินของประเทศไทยเนะี่ยโอ้เตียนจริงๆมีแต่ภูเขาน้อยเดียวเองตีมีต้นไม้แต่ดูในหน้าแหลงนะครัดูไม่จืดแต่เมือนกันภูเขาเป็นถูโดยมาโดยมากเป็นภูเขาเป็นแพะเป็นโคกมีแต่ดินแด ง, แดงต้นไม้ก็รู้สึกวา่าใบร่วงหล่นไปหมดแต่ในวัดของเราอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็น ไม่ใช่คุยเรารักสังวนต้นไม้ เ, เกือบว่าจะหนานแน่นไปหมดแต่ทนชอบต้นไม้ก็ว่าดีแต่คนไม่ชอบต้นไม้กันเนแะี่ยนะะ จ, ะจะตัดมันทิ้งแต่ทุกคนทุกองนะห้ามตัดต้นไม้ใครจะตัดถ้าไม่ชอบต้นไม้ห น, นีออกจากวัด วัดเนี่เป็นวัดป่าวัดต้นไม้วัดที่มมีตนม้ตนไม้มีตังเยอะแยะไป <c oughs> เราจะไปอยู่ก็ได้ <c oughs> ถ้าอยู่ <c oughs> ถ้าอยู่วัดของเราก็ต้องมีต้นไม้อย่างนี้นะแต่ลิ่งตัดกิ่งกันได้แต่ไปตัดตน้นต้องคิดให้ดีก่อนที่จะปลูกต้นไม้ได้เวลาเท่าไหร่มันจึงจะใหญ่เท่าแข้งเท่าขาได้ เป็นสิบสิบปีเราตัดไม่ถึงหนึ่งนาทีตัดเท่าไรก็ได้พอมันตัดเร็วแต่ปลูกด้วิเดนจะรักษานะใช้เวลานานเท่าไหร่ตลกคิดทบทวนดูเนี่ยนะวิลยาจะเราจะตัดต้นไม้เราต้องคิดดูให้ดีถ้ามันจำเป็นก็ไม่ว่ากันมันขวางต้นอื่นก็มีอยู่ มีความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นที่วันมันเกะกะเฉยเอยน่ะไม่ได้นะอ้ามเด็ดขาดเพราะาเด็ดขาดเน่เพราะว่าไม่ใช่ปลูกได้ง่ายๆกว่าจะปลูกต้นไม้แต่ละต้นกว่ามันจะใหญ่ขึ้นมานะแล้วก็การอยู่ด้วยกันให้เคารพกันนะผู้น้อยผู้ใหญ่ อย่าไปไม่เคารพกันไม่ได้มีต้องมีสัมมาคารวะผมมองไม่เห็นอย่างอื่นการถูด้วยกันค้อนเท่าค้อนไม้เท่าไม้ไม่มีสัมมาคารวะต่อกันไม่รู้จักผู้สูงไม่ถูกไวยพุทธคุณวุฒิแยกแยะไม่ออกปรารถตีเสมอกันไปหมด อันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่แนวปฏิปท า, า, า, าของผมอีกต่างหากผมไปอยู่รัชฐานที่ใดต้องรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยพวกท่านทั้งหลายก็ตามมาพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมนะผม็พานมาถ้ามาศึกษากับผมนะ ผมไม่ได้สอนให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนก้าวร้าวแข็งกระด้างนะสอนให้รู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลบุคคลควรใดควรทำอย่างไงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรมีอายุพรรษาต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรามีอายุพรรษาเขาก็จะต้องปฏิบัติตาม ที่เราเคยแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราเคยปฏิบัติมาแล้วเราพูดเต็มปากเต็มคมได้เพราะเราเคยทำทามาแล้วมาก่อนเขาแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราทำตัวไม่ดีแล้วจะสอนลูกน้องบริวารจะสอนได้ยังไงเพราะตัวเองก็ทำอย่างที่ว่าแข็ง ด, ดูเดไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับใคร แล้วจะสอนลูกน้องสอนอยังไงจะให้คนเขารับตนเองทำยังไงให้ทำเหมือนข้าจูตะกออย่างนั้นอย่างใช่ไหมหเพราะนั้นผมเองผมอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่ออยู่ครูบาอาจารย์สัมมาคารวะจุดนี้แหละเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญไปนสถานที่ใดให้รู้จักสัมมาคารวะอ่อนน้อม เป็นผู้รับใช้ท่านพราเรายังเป็นผู้น้อยอยู่ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เมื่อนั้นแหละ เ, เราก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกน้องๆลูกศิษย์ลูกหาได้ด้วยความมั่นใจเพราะเราเคยผ่านมาเราเคยปฏิบัติมาแล้วอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระลูกหลานทุกองค พระเนนทุกองค์พระทุกองค์เรื่องกิจวัตรข้อวัดก็เหมือนกันอย่าได้บอกได้กล่าวกันใครมีหน้าที่อะไรตั้งแต่งตั้งกันไว้ให้ศึกษากรบียบใครดูแลห้องน้ำใครดูแลศาลาปัดกวาดเวลาเท่าไหร่ถ้าวันเจ็ดค่ำสิบสี่ค่ำ ผมก็บอกให้ปัดกวาดทางหลังวัดนะพอเราทำถนนไปมาหาสูกกันตรงแบ่งเส้นกันสายไหนองค์ไหนจะไปสายไหนหเขียนเสษกระดาษไปเลยอย่าไปพูดแต่ปากปากเปล่าองค์นั้นก็องค์นั้นเดินสายนี้สายที่1สายที่2องช่วยปันปัดกวาดนะองค์นั้นก็องค์นั้นสายนั้นบอกเลย จากนั้นกอให้ดูแลเพราะว่าเราจะต้องรักษาถ้าไม่มีการปัดกวาด <c oughs> ถนนที่เรา <c oughs> ทำไว้ดีแล้วนะั่นมันไม่น่าไม่น่าดูนะถนนมันสะอาดแต่เราขี้เกียจปัดกวาดเพราะนั้นพระที่มีอายุพรรษาเนะี่ยต้องช่วยกันบอกพอทุกองค์เข้ามาเพื่อการศึกษา ไม่ได้มาเพื่อสนุกสนานเพิดเพลินเทหาไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อมาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาเราก็ต้องสอนวิ ธ, ธีการศึกษาปฏิบัติการทำความสะอาดกิ จ, จวัตรข้อวัดของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านทําอย่างไร <c oughs> หลวงพ่อทํามาก่อนแล้ว จึงสอนลูกหลานทั้งหลายให้ปฏิบัติตามเนี่ยนะไม่มีความไม่มีทางเสื่อมเสียหายมิจตความเจริญเจริญโดยส่วนเดียวต่อไปภายภาคหน้าเราก็พร้อมที่จะเราเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราก็พร้อมที่จะสอนลูกน้องๆของเราได้อีกทุกศิษย์ลูกหาของเราได้อีก ออกกำลังกายมันกำลังมันไม่หมดออ ก, กําลังยิ่งเพิ่มทวีคนที่ไม่ออกกำลังกายนะั่นะจะหมดกำลังเราก็ปัดกวาดไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนปัดกวาดไปเลยทําความสะอาดนี่แหละอันนี้ช่วยๆกันนะถึงห้องน้ข อ, องน้ำกเหมอนกันจะลงสาลาข้างนนกกเหมันกั น, น, กก น, กนถึงเวลาช่วยกัน ปัดกวาดทำความสะอาดใครมีหน้าที่อะไรแบ่งกันแบ่งกันทำถ้าว่าไม่ได้แบ่งกันไว้นะ่บางทีมันอาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้คิดว่าองค์นั้นคงจะไปองค์นี้นคงจะไปแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของเรานะวันพระนี้องค์นั้นก็องค์นั้นออกไปทำความสะอาดชลาข้างนอกนะรับทั้งหมด เวลาพระออกไปฉันข้างนอกทั้งเก็บทั้งอะไรพร้อมทั้งหมดในอาทิตย์นี้หรือวันพระนั้นถ้าว่าองค์ไหนขาดตกปกพ่องเราก็เตือนเออองค์นั้นทำไมไม่ออกไป เ, เราได้แต่งตั้งกันไว้ไม่ใช่เหรอเนี่ยแหละอันนี้สียงเรานี่แหละถ้าหาว่าเราปล่อยกันมาลุ่มมาตุ่มกวดีแต่เป็นอย่างนั้น แต่โดยมากมันขาดตกบกพร่องแต่องค์อื่นอยากจะไปช่วยก็ไม่ว่ากันไปทําได้แต่องค์หลักนั้นต้องมีเพื่อการเอาไว้กันเหนียวเอาไว้เพื่อาขาดตกบกพร่องนี่แหละอันนี้แหละคือกิ จ, จวัตรขอวัด ช, วช่วยกันดูข้อวัดของพระที่หลวงพ่อพูดมานีให้พวกเราไปดูในพระวินัย เล่มนมุกเล่มสองเสนาสนะวัดคันทวัดคันทวัดคันวัดคือวัดโรงครัวคัวไฟเวชจวัดข้อวัดเกี่ยวกับห้องน้ำเสนาสนะวัดข้อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะที่พักพาอาศัยอาจารยวัดข้อวัดเกี่ยวกับอาจารย์ อันเต็ัวสิกกวัตพ่อวัดวัดเกี่ยวกับการดูแลลูกศิษย์ลูกหาอุปชาอาจารย์ต่อลูกศิษย์ลูกหามันมีทั้งหมดนะลูกหลานนะให้ศึกษาที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้เกี่ยวกับวินัยทั้งหมดนะการเป็นอยู่ เป็นเป็นวัดควรปฏิบัติสำหรับพวกพระลูกหลานที่บวชเข้ามาแต่เมื่อเราทำกิจวัตรข้อวัดถูกต้องแล้วเด็กไปนั่งภาวนาจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเพราะเราทำถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักพระธรรมวินยัยนึกดูตนเองก็บสบายใจ ไม่พิตกไม่กังวลเพราะเราเข้ามาแล้วเราปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยตากตามหลักพระธรรมคำสอนท่านบอกว่าให้สํารวมระวังอย่าไปคกุคกคลีด้วยหมู่คณะเราก็พยายามไม่คุกคลีต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่างภาวนาของใครของเราแต่จงกรมของใครของเรา เราเนี่ยเอาสิในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้าจะเร่งความเพียรนะสิถ้าเผื่แกมาเนี่ไม่ได้นะหลูกหลานนะอถ้าแก่ขึ้นมาแล้วมันอะไรมันก็มันหลุมมันตุ้มมันเหนื่อยมันไม่เหมือนสมัยน้อยหนุ่มสมัยน้อยหนุ่มเราจะเดินจะกรมยังไงเราจะนั่งภาวนายังไงเราสู้ได้ทั้งนั้นแต่พออายุแก่ขึ้นมาแล้วมัน ไม่ไหวแล้วเพอ้อเพอ้อมันแนวความคิดเลือเล้อยเรืเอยอีกต่างหากจิต ใ, ใจไม่มั่นคงจิตใจไม่เป็นสมาธิถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนมันยากนะเพราะนั้นต้องเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนอเราจะภาวนายอย่างไงเราจะปฏิบัติอย่างไรอ พระอรหันเราดูในรพระไตรปิฎกพระอรหันคดีพระพุทธกุทธดีพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าคนนอกศาสนาหรือศาสนาอื่นว่าพระพุทธเจ้าด้ยอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรให้พวกเธอตอบได้เลยว่าเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือกำหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอะเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกถึงท่านจะได้สำเร็จพระอรหันท่านก็ยังอยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่ของท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ท่านไม่ได้แต่ท่านไม่ได้หวังชาระ จิตใจให้บริสุทธิ์นะเป็นแต่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เนี่ยอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันแต่พวกเราเนะี่ยเพื่อชำระใจให้หมดจดจากกิเลสพวกเราเนี่ยนะมีความมุ่ง ม, มั่นมุ่ง ม, มีความมุ่งหวังที่จะภาวนาให้สําเร็จมักสําเร็จผล แต่การกําหนดลมหายใจเข้าหายจะออกก็ดีบริกรรมพุทโธก็ดีอันนี้ว่าสมถะสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กันพูดอย่างนั้นได้เหมือนกับขาซ้ายขาขวายอย่างนั้นถ้าหากว่ามีแต่วิปัสสนานัน่งปุ๊บก็ไปกับพิจารณาเลยใช้ปัญญาแต่เมื่อพิจารณาไป นานๆเข้ามันเป็นแต่สัญญากับสังขารสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเข้าไปสานกันไม่รู้จะตัดกิเลส ท, ที่ตรงไหนอย่างไรไม่ชัดเจนเลยเลนเลือนๆ ล, ล, ลางๆแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิอย่างเดียวมีกำหนดลมหายใจเข้าหายจะออกอย่างเดียวไม่ได้พิจารณา อันนั้นก็นเหมือนเหมือนกับเราอยู่ในห้องอยู่ตลอดเวลาไม่ออกไปทำการทำงานเลยก็ไม่มีผลงานมีแต่ได้รับความสุขใจในเรื่องสมาธิมีความสุขใจบางทนบางคนก็ถึงกับติดสมาธิเพราะมีความสุขใน เรื่องเข้าสมาธิากับใจของเตัวของตนเองอยู่กับตัวเองตลอดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตลอดจิตใจนิ่งตลอดจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ศาสจิตใจอยู่กับสมาธิมีความสุขแต่ไม่เห็นผลอย่างอื่นแต่เมื่อเราพิจารณาไม่โดยที่เขไม่เข้าสมาธิพิจารณาเลย อันนั้นก็เตลิดเปิดเปิ่งไปอีกแบบหนึ่งหากดหากเกณฑ์ไม่ได้อันไหนก็จับนู้นวางนี้จับนี่วางนั้นไปเลยไม่ชัดเจนเพราะนั้นเรื่องสมัทธและวิปัสสนาเป็นของคู่กันพูดอย่างนั้นได้พวกเราอย่าห น, นีจากวิสมนะัทธาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วจิตใจนิ่งแล้วในเมื่อจิตใจนิ่ ง, นงในใจสงบ นำจิตใจที่ผ่านความสงบมาม า, มาแล้วนั้นมาพิจารณาออกทางด้านปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นชัดแจ้งเห็ุชัดจริงเพราะอะไรเพราะใจของเราผ่านความสงบมาแล้วนี่แหละประธานให้พวกเราฟังเอาไว้นคือต้นคือต้นเหตุ สมถะและวิปัสฉนาเป็นของคู่กันเหมือนกับขาซ้ายขาขวาลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าอากว่าเรามีแต่สมถะอย่างเดียวก็อย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่มีพิจารณาอย่างเดียวเข้าไปกับพิจารณาโดยโดยไม่โดยที่ไม่พักผ่อนจิตใจไม่เป็นสมาธิเลยอันนั้นก่อนน่ะเบ่าห ง, ง่งเวงมีแต่สังขารขัสแย ไม่ชัดเจนไม่เด็ดขาดไม่มั่นใจที่จะตัดกิเลสในใจของเราไม่มั่นใจเพราะจิตใจของเรามันออไม่มีสมาธิเพราะนั้นเรื่องสมาธิจึงจําเป็นสําคัญอย่างมากสําหรับนักปฏิบัติขอให้พวกเราพระ ลูกหลานทุกองนะในพรรษาเนี่ยพยายามทําจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้ารูหายใจเข้าหายใจออกรูหายใจออกบ ร, ริกรรมพุทธโธไปด้วยเวลาก้าวเดินกับ ข, ขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทธโธไปด้วยอย่าให้มีเผลออย่าให้มันเผลอให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกในการก้าวเดินนี่แหละ จากนั้นเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิดีพอสมควรแล้วนํามัดพิจารณาจะก้าวหน้านะลูกหลานนะพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านให้พิจารณากายกันว่าพิจารณากายมันยากท่านพูดเลยกล้วกายเป็นหินรับปัญญานะในเมื่อเราพิจารณาคือใช้ พิจารณากายหลือกายนั่นะจะทำให้จิตใจของเรามีปัญญ า, ารู้แจ้งเห็นจริงมีสติสัมปชัญญะพิจารณากายแยกแยะสวนร่างกายเมื่อแยกแยะสวนร่างกายเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นร่างกายชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งต้องแตกสลายลงสูส่ดินน้ำลมไฟ ไม่เป็นอย่างอื่นนะร่างกายเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือคนตายที่เราไปเห็นพี่ป่านาอาปู่ญาตายายเห็นในสื่อต่างๆร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้เราเปรียบนอกเปรียบเทียบนอกเมื่อเปรียบเทียบในก็ย้อนเข้ามาหาตัวตัวใจของเราพิจารณาดูอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างที่เขาตายะ ไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะอันนี้คือเปรียบเทียบในเอาตัวเขาเองไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากนั้นเมื่อเราพิจารณาเปรียบเทียบนอกในทั้งสองอย่างเห็นตามความเป็นจริงชัดเจนจากนั้นก็นํามาพิจารณาย้อนกข้ามาตัวผู้รู้ใครเป็นคนรู้ร่างกายใครเป็นพลเปรียบเทียบนอก ใครเป็นคนเปรียบเทียบในอคือใจคือใจคือนามมาทําตัวผู้รู้เนี่ยไปเปรียบเทียบแล้วก็ย้อนตัวความรู้สึกนึกคิดเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจตรงนี้แหละไปลุ่มหลงในเรื่องต่างๆไปให้ความสําคัญเรื่องนั้นไปให้คะแนนเรื่องนั้นไปลดตําแหน่งเขาไปให้ ลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องมากต่อมากมากมายออกไปจากใจทั้งหมดทว่าน่ยใจเป็นเรื่องใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นเรื่องราวนะฮะย้อนขบหาตัวผูรู้คือใจนะี่แหละมาดูใจนะมาตัวผรู้ตัวนึกคิดตัวนี้นะดูให้ดีทถอะจอดูให้ดี ใจตัวนี้ก็เป็นอันให้จังทุกข์ขังอานาตตาเหมือนกันใจตัวนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะอไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตวนของเราเห็นได้ชัดเจนอีกมาเห็นใจของตัวเองมาดูตัวโพ ร, รู้คือนามปธรรมคือใจของตนเองเนี่ยนี่แหละดูให้ชัดตัวนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่องค์ตาองค์หลวงตาที่ท่านได้ สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่านก็บอกว่านี่นะท่านมองดูตัวนี้มาลองมองดตูตัวผู้รู้คือใจเนี่ยตัวนี้มันเห็นแต่ความเกิดดับท่านก็บอกว่ามีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดนั้นแหละคือตัวพบตัวชาติเกิดพบชาติที่เกิดขึ้นมาคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดเนี่ย มีตมผู้รู้ต่อมคือตัวจุดจดที่ใดนั่นแหละคือพบคือชาติเกิดมาจากจุดนั้นจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นความเลยเความมันออกจากความรู้ถึกนึกคิดเลยเในความบริสุทธิ์ก็เบ่งบานขึ้นมาบริสุทธิ์บุตรุดพลเป็นอมตะจิตอมตะธรรมนี่แหละ อันนี้ก็คือวิธีการเราพิจารณาไม่ใช่ว่าเราพิจารณาสมถะแล้วก็ไปยึดอยู่ที่นั่นก็ไม่ใช่เมื่อพิจารณาวิปัชนาก็ไปยึดในวิปัชนาก็ไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางมาเป็นขั้นเป็นตอนมาจนถึงมาตัวผู้รู้นม า, ามธรรมก็ดูตัว น, นี้ละเอียดนะตัว น, นี้นะให้ชัดเจนนะดูให้ละเอียดมากๆเลยตัว น, นี้นะถ้าว่าเราสติปัญญาเราไม่ไม่ทันมัน มันจะมองไม่เห็นนะพาลุพหลานนะให้ดูดูจนนี้ดูเรื่องรลวงนามธรรมตัวนี้นี่แหละ ว, วิธีการประพฤติปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในพรรานี้นะหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราเร่งความภาคเพียรพระที่มีอายุพรรษ า, าแต่การหน้าที่การงานก็แบ่งกันอย่างที่ว่าเลย อง์ไหนที่ทําเนี่ยคือช่วยๆกันจุดนั่นน่ะองนั้นองนั้นอองค์นี้อง์นี้ทําหน้าที่นี้อาทิตย์นี่องค์นี้ทําหน้านี้นี่องค์ที่ไม่มีหน้าที่ก็ภาวนาองค์ที่มันมีหน้าที่ก็ทําไปองค์ที่ได้รับหน้าที่แล้วก็ช่วยวัดวาศาสนาไปอพอหมดพระวาระกัตัวเองก็หยุดให้องค์อื่นทําต่อไปเนี่แหละมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอไม่ใช่ว่าจะรับ ตลอดไปไม่ใช่จะปฏิเสธตลอดไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะวัดวาศาสานาวัดใหญ่ถึงขนาดนี้เราจะต้องช่วยกันดูจะช่องด้วยกันประครับประคองผมเป็นอย่างนั้นจะสมัยผมอยู่บ้านตาดก็เหมือนกันอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงต า, าไม่ใช่ว่าจะปล่อยปปแล้วเลยไม่ใช่ เป็นหลุมเป็นโขกเป็นบ่อที่ไหนเอาเอาเด็กมาวันอาทิตย์ไปช่วยช่วยกันทำความสะอาดไปถมหลุมถมบอ่อที่เป็นถนนหนทางตรงไหนที่มันไม่ดีเอาช่วยกันทำเราคนแก่ไปตําดังได้จงกลมนี่แหละวัดมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละต้องพัฒนาต้องดูแล ไม่ใช่ว่าต่างอ ง, องค์ต่างอยู่ไม่ได้ดูไม่แลแรงกันเลยไม่ได้นะแล้วก็เรื่องรับหนาก็เหมือนกันถ้ารับขึ้นมาแล้วก็ต้องดูกุฏินะกุฏิมีที่พักพอไหมเราจะขยับขยายไปยังไง พวกเราช่วยชวยกันช่วยกันคิดช่วยกันดูแลปฏิวาศาสานามันไม่ใช่ของของหลวงพ่อนะอย่าไปคิดว่าเป็นของหลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อตายไปแล้วกันเป็นสมบัติของพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนนะจะต้องช่วยกันดูกันแล่นะสำหรับพระใหม่ในวันนี้นะพระใหม่ ที่มาข อ, อนิสัยสามองค์หลวงพ่อก็ให้ข อ, อนิสัยไปพร้อมๆกันแต่ตามปกติหลวงพ่อจะเรียกเข้าไปสอนอนุศาสตร์และวก็สอนนิสัยแต่หลวงพ่อจะสอนไปพร้อมๆกันเลยก็ได้พระเก่าอาจจะหลงลืมมือก็ได้นิสัยคําว่านิสัยคํานี้พระในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้า ไม่มีการขอนิสัยเพราะพระรุ่นใหม่ๆที่พระอัญญาโกนัญญาหรือว่าพระรุ่นที่ท่านได้สาเร็จมักสำเร็จผลรุ่นนั้นไม่ต้องพูดกันเมื่อท่านบริสุทธิ์พ้นแล้วก็จบพอต่อมาได้มีพระกัเลเกวกัลวัฏพอบวชเขามาก็อยากจะได้ลุกจิ์ลุกหามาบวชกันเกลื่อนไปหมด พอบวชเข้ามาก็ไม่ได้สอนกันไม่มีกิริยามารยาทจะไปที่ไหนก็ไปอไม่ได้ดูเหมือนกับลูกเป็ดเกิดมาแล้วไม่ได้สอนไม่ได้อยู่กับพ่อกอกับครูไม่เหมือนกับลูกไก่ลูกไก่เนะี่ยแม่มันต้องสอนแต่ด้ลูกเป็ดพอต่อมาพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วนะัะ ไม่อยู่ในสีไราจารวัตไม่มีฮิริโอตตะปะเห็นศรัทธาญาติโยมทานอาหารขณะชูบาทเข้าไปขออาหารในวงล้อมของเขาศรัทธาญาติโยมผู้มีนิสัยดีมีฮิริโอตตะปะก็ม่รู้จะทํำยังไงพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระเถระพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านก็เอื่อมละอาไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมส่งเป็นพ่อให้ไใ้ทำมาอย่างเป็นอย่างนี้แต่ก่อนทําไมไม่เป็นเอพอสืบสอบได้แล้วก็คือพระที่บวชเข้ามานัเนี่ยพออาจารย์บวชเข้าไปแล้วก็ปล่อยไปเลยโดยที่ไม่มีไม่ได้อบรมเรื่องกิริยามารยาท จากนั้นพระพุทธองค์ก็บัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่ขอนิสัยจากอาจารย์เป็นเวลาห้าปีถ้าพ้นหปีไปแล้วว่นนิสัยมุตตะกะพ้นนิสัยการอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงห้าปีนั่นนะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถือเสมือนว่าเราเป็นลูกทำหน้าที่ลูก มีอะไรต้องรับใช้พ่อพ่อจะใช้อะไรในกิจการบ้านปัดกวาดทำความสะอาดซักผ้าอะไรทุกอย่างเมื่อกัะทำหน้าที่ลูกแต่ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่พ่อเวลาลูกสิทธิ์ขาดเหลือขาดตกเรื่องปัจจัยสี่พ่อจะต้องหาดูแลลูก เรื่องอาหารการบริโภคตะกอนไม่ได้ดูแลกันอาหารการบริโภคลูกศิษย์ก็ไปหาขออย่างที่ว่าเดือดร้อนชาวบ้านเขาแตน่นเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์จะต้องดูแลลูกศิษย์ลูกหาขาดเหลือปัจจัยสีเป็นหน้าที่ของอาจารย์เวลาลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์ต้องดูแลอาบน้าดูแลให้ แต่เมื่ออยู่ดีมีสุขลูกศิษย์ลูกหาต้องดูแลครูบาอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ริยวัตถ้าหากว่าทุกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรกระัทิ้งวิหาหริกกวัดตามปกติอาจารย์ก็มาอบรมแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างที่หลวงพ่อพูดตอนเช้าทุกเช้าอย่างนี้นี่แหละคือการอบรมบอกกล่าวพวกท่านทั้งหลายแต่วันนี้หลวงพ่อออกมาอีกมาให้ความ คิดความเห็นอีกในการอยู่ด้วยการการวางแผนดูแลเสนาสะนะภายในวัดพวกเราปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละคือที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพ่อดูแลลูกลูกดูแลพ่อดูแลเจ็บไข้เดือบุลท้าวัน ลูกสิทธ์ลูกหาเจ็บใครได้ป่วยอาจารย์ไม่ดูแลใส่ใจปรับปรับอวบัตทุกกฎถ้ากูบายอาจารย์ก็เหมือนกันดูดูแลลุกสิทธ์ลูกหาเมือนเฉยไม่ดูแลปรับอวบัตทุกกฎปรับโทษนี่แหละจึงมีวินัยขึ้นมาพวกเราบวชเข้ามาแล้วจึงให้ขอนิสัยอาจารย์จะต้องดูแล ทุกอย่างกิริยามารยาทจนกว่าถึงหพันษาจะไปที่ไหนเมื่อไปอยู่ที่ใดอาจารย์ก็ต้องฝากฝังให้ว่าประโยุ์กูบาอาจารย์องค์นั้นองค์ น, นี้ก็ไปต้องขอนิศสัยอย่างพวกเรามาจากวัดบวรเนี่ยนี่แหะมาถึงวัดหลวงพ่อทางนู้นท่านก็เขียนจดหมายมาบอกให้รับเป็นสิทธิอนุสิทธิ์ตะก่อน พ่อก็ับมาแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายสอนให้พวกท่านทั้งหลายเหมือนจะเหมือนเป็นลูกลูกของหลวงพ่อนะอันนี้ก็คือเรื่องนิสัยแต่เมื่อเช้าเนี่ยอุปชาก็สอนว่านิดกิจที่ควรทำของพระและก็กิจที่ไม่ควรทำนี่ว่านิสัยสี่กิจที่ควรทำ อกรอนยกิจกิดที่ไม่ควรทำอันนี้ก็คือพุทธันสอนเรื่องวินยัยเที่ยวบินธบาต1หนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งอันนี้คือกิจที่ควรทำเมื่อเราบวดเข้ามาแล้วสรุปแล้วก็คืออยู่แบบปนๆทั้งหมดนะพระเนลูกหลาน ที่กิจไม่ควรทําีอย่างเสพเมถุนหนึ่งขโมยของเขาหนึ่งแก้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ใตายหนึ่งอวดอุตริมนุษย์จะทําคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนหนึ่งกิจสี่อย่างนี้ทําไม่ได้เป็นอาบัตหนักโทษประหารอันนี้ให้พวกเราศึกษานะกิจที่ไม่ควรทำสี่สี่อย่างกิจที่ควรทำสี่อย่างจากนั้นก็อาบัต ที่จะต้องอาบัติสังขาทิเศตมืออยู่สิบสามแต่ที่ร่อแหลมไม่อยู่ห้าข้อที่ล่อแหลมที่จะต้องอาบัดหนึ่งเพิกสุแกล้งทำคือเจตนาแกล้งทำให้น้ําอจุจิเคลื่อนต้องสังขาทิเศตเว้นไว้แต่นอนฝัน อันนี้ก็คือสิกขบท1นึสิกขบทที่2อภิกษุมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังขารที่เศษข้อที่3าภิกษุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขารที่เศษนี่แหละหลวงพ่อจึงไม่ให้พระใหม่ใช้โทรศัพท์นะเพราะเรายังไม่รู้วิญัยอย่าไปใช้ถ้าใครต้องการความบริสุทธิ์ในตัวเองนะควรหยุดถ้าจะงั้นเป็นพระที่เน่าใน เป็นสมณะที่เน่าใน่เป็นพระที่เน่าหนแต่ข้างนอกดีแต่ข้างในมันเน่าเน่าเฟนนะน่อยภิกษุ ม, มีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขารที่เศษไม่ว่าหญิงใดนะเป็นหญิงคำว่าหญิงนะข้อที่สี่ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเล่อให้หญิงบําเรอตนด้วยกามต้องสังขารที่เศษ ข้อที่ห้าภิกษุสักสื่อให้ใชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังคาที่เสษเป็นเท่าแก่เป็นเท่าเป็นแก่ก่อนเป็น บ, บัตรมันกันนะนี่แหละอันนี้คือให้พวกเราศึกษาจากนั้นก็พระพี่เลี้ยงคงจะสอนมั้งเรื่องผ่าตรายจีวรสามผืนคนจะรักษาอย่างไรอันนี้ให้พวกเราปฏิบัติตามเวลาเราจะมา ตีสาม่ีสี่มาจากกุฏิทางไกลเราก็ต้องเอาพายเจวอนตะภายมายุ่นโหรไสบาดมาด้วยหรือตะภายมัดไสเอวมาด้วยรักษาไปปล่อยทิ้งมว้ไม่ได้เป็นอบตบนิต ย, ย, ยกิยปายจิตตีระบบการจะฉันก็เหมือนกันฉันเราต้องนั่งซะก่อนตอนเช้าว่าอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น มาฉันอาหารตอนเช้าเวลาเราจะลุกขึ้นมาไปไปล้างบาดเราต้องทําความสะอาดนะที่นั่งของเราให้เรียบร้อยอย่าให้มีผักอย่าให้มีน้ําหยดอย่าให้มีเมล็ดข้าวเราจะไม่ฉันโปรโยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในทีดนั้นๆเป็นอบัตทุกกฎอีกถ้าเราไม่รักษาเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ํา เห็นวการฉันก็เหมือนกันเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสู้ๆเราจะไม่สันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะเราจะไม่ฉันกัดคําข้าวเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะให้เกินซะก่อนค่อยพูดมีเรื่องอะไรที่จะพูดไม่ใช่ว่าพูดข้าวอยู่ในปากก็พูดรัวๆไปแหม่เม็ดข้าวกระเด็นกระดอนไปใส่ หน้าเขาไปใส่บาตรของคนอื่นเขาเป็นอบัตทุกกฎทั้งหมดที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังพราะนั้นให้ลูลกหลานทั้งหลายศึกษานะอันนี้คือกฎระเบียบวินัยของพระในสิน227ของพระนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะันทั้งหมดนะลกูกหลานนะอับัตหนักก็มีอับัตเบาก็มีโทษประหารก็มีโทษจำคุกก็มี คือจำคุกพระนะสังฆาธิเศษสิบสามข้อเนี่ยจำคุกพระเนยะวิธีการจ อ, อกอบัตโต่ต้องศึกษาเรืองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียบของพระระเบียบกฎระเบียบของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอันนี้คือกฎระเบียบหนึ่ง เมื่เราเป็นคารวะา ก, กฎระเบียบหนึงกฎหมายเขาปกครองแต่เมื่อเขามาบวชในพุทธศาสนาเกิดขนะึ้นกฎระเบียบของพระให้อยู่ในศีลายจารวัดเหล่านีนะ้เราอยู่ด้วยกันมากมายถ้าอยู่ในเต่องศีลและวินัยและมีแต่ความสงบพร้มเป็นเย็นเป็นฉุขนั้นลูกหลานพานุพันธ์นะให้ตั้งอกตั้งใจมาบวชคราวนี้มาเพื่ออะไรให้ถามตนเองว่าอยู่เสมอจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เรามาบวชเพื่ออะไรเรามาบวชเพื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพุท ธ, ธเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาอยู่ทุกคืนไม่ใช่เหรอตอนเย็นอย่างนี้ะประมาณักท้องทุ่มเราเปิดเลยเรานั่งภาวนาล้วก็นั่งฟังเทศสักกันหนึ่งพอจบกันหนึ่งเก็ปิดจ้ะเราก็นั่งภาวนาต่อ ถ้าเราสงสัยเราังคุณลุกมันเปิดเอกมานั่งเอกนั่งภาวนาต่อเอกแต่ตามไม่จริงการนั่งภาวนาจเจ้าจริงจังนะครับเทปควรจะปิดไว้นะเปิดไว้เป็นบางครั้งทตนเองถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังครูบายอาจารย์เทศนาว่าการเะเลยจิตใจของเรากระดืดด้านไปเรื่อยๆอีกเหมือนกัน แต่เรานั่งนอนนนอนฟังบ้างฟังด้วยความไม่เคารพนะ ต, ต่อไปก็ดื้อด้านอีกเหมือนกันพราะนันการที่จะฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะฟังให้ได้ผลจริงๆต้องนั่งคัตสมาธิฟังพอฟังเทป พ, พอฟังฟิทยุเสร็จแล้วก็ปิดได้กันหนึ่งแล้วก็ปิดแล้วก็ภาวนาต่อถ้าว่าเรา ไม่ได้ฟังจะเลยก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยนะแนะนำนะอยากจะให้ภาวนาอยาจะให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาทุกวันกันวันละหนึ่งกันแต่ไม่ต้องมากแต่กลางวันโดยมากท่านจะเทศนาว่าการเป็นภาพรวมเทศไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวกลางวันไม่เหมือนกลางคืนกลางคืนนท่านอบรมพระโดยตรงเลย ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตนะีห้าอันนี้เราต้องฟังฟังแล้วก็นำมากันกลองไตรตรองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามจะเห็นผลนะลูกหลานนะท่านแนะนำให้อดทนยังไงใช้พิจารณาปัญญาอย่างไรมีมากมายหลายหลายอย่างที่องค์หลวงตาจะแดงให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา วันไหนพวกเราตั้งอกตั้งใจบวชมาทั้งทีข่าวนี้เราก็รู้แก่ใจว่าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางบวชนว ก, กะ เ, เราก็รู้แก่ใจว่าเราจะบวชกี่ด่นกี่เดือนเรายิ่งมาปล่อยปะละเลยไม่ได้ใส่ใจสนใจแปลว่าเปล่าประโยชน์นะลูกหลานนะบวชมาทั้งทนะีเปล่าจริงๆเปล่าประโยชน์จริงๆทั้งโลกก็ไม่ได้ทั้งธรรมก็ไม่ได้เขามาเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆไม่มีอะไร ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะในลูกหลานพระลกูกพระลหลานทั้งหลายใส่ใจสนใจเรื่องจิตภจตภาวนาจิตตภาวนาภาวนาคำนี้แหละถ้าไปอยู่ในสถานที่ใดคนที่ภาวนาจะรู้จักการวางตัวรู้จักเรื่องต่างๆไม่หลุลงไม่ลืมตน ควรวางตนอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เกิดแก่เจ็บตายตายแน่ๆนะใจนะมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่แท้จริงจะไม่ลืมตัวปล่อไลเพราะว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิผ่านสมาธิแล้วนะจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้กล่าวเบื้องต้นนะ ถาตอนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรฉะนั้นเราหลวงพ่อก็จะถามไทยเรื่องภายในวัดของเรามีอะไรบ้างที่จะต้องได้จัดได้ทำตอนนี้ไปนะก็จะปิดเครื่องแล้วก็พูดกันคุยกันธรรมดาแล้วจะนี้นะ